เรื่องการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธิมรรคผลนิพพานการเกิดขึ้นของรูปอันนี้มีความยึดมั่นถือมั่นมาแต่คันมารดาเราพิจารณาดูให้มันดีว่าสติของเรา อยู่กับพุทธโธพุทธโธไหมถ้าไม่อยู่กับพุทธโธก็ต้องบริกรรมซ้าอีกหลายหลายคนหลา ย, ลา ย, ลา ย, ลายเที่ยวเราไปอยู่ที่ไหนเราก็สามารถกำหนดรู้ได้ให้พิจารณาพิจารณาลงไปที่ใจของเรานี่แหละให้มันมีพุทธโธในนั้น ให้ใจมันอยู่กับพุทธโธเราคอยสังเกตดูเวลาใจของเราสงบลงไปเราจะเห็นความสุขความสบายเกิดขึ้นในใจสมาธินี้มีอยู่สามขั้นสมาธิสามขั้นนี่คือชั้นที่หนึ่งเรียกว่า อั น, นิกะสมาธิกิรวมนิดหน่อยกิดวมนิดเดียวก็ฟุ้งซ่านต่อไปก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปอันนี้เป็นอั น, นิกะสมาธิสมาธิเล็กน้อยที่เรามีชีวิตอยู่ทุกคนนี่ก็ ได้อาศัยนี่แหละสมาธิขั้นที่สองคืออุปจารสมาธิคือสงบเกือบจะเป็นฌานอปปนาสมาธิคือสมาธิที่สูงขึ้นไปจนไม่สามารถตามรู้ได้ แต่มันมีสติอยู่ในตัวนะมันมีสติอยู่ในตัวถ้ามันรวมลงไปถึงขั้นนั้นออกจากสมาธิระดับที่สามนี่เราก็จะเห็นว่าใจเรานี่สบายปลอดโปร่งคิดอะไรก็แจ่มแจ้งชัดเจนไลหมดนี่มันเป็นอย่างนี้เวลากลับไปบ้านแล้วก็ ต้องทำต้องบริกรรมพุโทโธพุโทโธไว้ในใจอยู่เรื่อยเราทำทุกวันมันก็ดีขึ้นทุกวันทำวันไหนก็เป็นการทำสมาธิวันนั้นทำให้จิตของเราวางจากอารมณ์อื่นให้แน่วแน่นิ่งอยู่กับอารมณ์เดียว ใจจะมีความสุขมากจะมีความสงบมากให้สังเกตดูก็ได้อย่างเรากำหนดพุดโทโธพุโทโธอยู่นี่ให้ลองทำดูปฏิบัติตามสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้คือหลักธรรมที่เราใช้ปฏิบัติเรานึกพุทโตพุทโตอยู่จิตรวมมุบลงไปวางมดแต่ถ้าไม่ได้บรรลุก็เชือ่อ ได้ธรรมะชั้นสูงแล้วถ้าไดนมันรู้ยิ่งดีกันใหญ่เลยแหละผ่อนไปถึงขนาดนั้นแล้วมันจะตัวนี้จะไม่มีมีแต่สติกับพุทโธพุทโธเท่านั้นอยู่ด้วยกันให้ทำดูสมาธิทีความเห็นชอบเห็นอะไรอะ ก็เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละเราเห็นพวกนี้ในใจเราว่าคนเกิดมาแล้วต้องตายแต่ช้าหรือเร็วต่างกันยังไงก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งการหัดก็ทำสมาธิเนี่ยหัดให้ใจของเรามีธรรมะอยู่ภายใน คือมีพุทธโธพุทธโธอยู่ภายในให้คอยรู้พุทธโธพุทธโธอยู่ในใจกินเราจะสงบจะสบายไม่กังวลในเรื่องต่างๆอะไรมาถึงก่อนก็ทำก่อนอะไรมาถึงทีหลังก็ทำทีหลังไปในหน้าที่การงานนั่นนะถ้าจัางใจปฏิบัติแล้ว เราไม่ต้องไปทุกข์ในวัฏฏะสงสารอีกถ้าเราเข้าใจและได้ทำให้ถูกต้องแล้วเนี่ยไม่ได้ไปพบภูมิอื่นไปสู่สุขติภูมิตั้งแต่สุรบันขึ้นไปไปสู่สุขติภูมิกำหนดภาวนาไปอย่างนี้แหละ พอเป็นคนเก่าแล้วไม่ต้องบอกยากไม่ต้องเล่าว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พราะคนเก่ารู้คุณค่าของสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วรู้คุณค่าของสมาธิอยู่แล้วเรายิ่งทำไปเท่าไหร่ก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้นไม่ตกต่ำมีแต่สูงส่งขึ้นไปเรื่อย นรกสวรรค์มันก็มีมีจริงจริงทำบาปไปสู่นรกทำบุญไปสู่สวรรค์ตั้งใจปฏิบัติธรรมสมาธิปัฏนาไปะนิผานถ้าตั้งใจปฏิบัติ ตามอริยมรรคมีองค์แปดมันก็ต้องได้บรรลุมากคผลเพราะเป็นทางดำเนินที่พุทธเจ้าของเราปฏิบัติไปแล้วพราะพุทธเจ้าตอนนั้นยังไม่มีพุโทโธหรอกมีลมหายใจเข้าออกบริกรรมอยู่ตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเกีดแปดขวบอันนี้ก็นั่งหัดสมาธิ ำลมหายใจเข้าออกพอมาทำปฏิบัติออกบวชปฏิบัติแล้วก็หยิบเอานี่แหละมาปฏิบัติลมหายใจเข้าออกเป็นหลักปฏิบัติเมื่อพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วพระองค์ได้แต่รู้ถึงความพ้นทุกข์ไม่มีทุกข์ในใจของพระองค์แล้ว พระองค์จึงบัญญัติพุทโธธรรมโมสังโฆไปตลอดถึงอนาปานสติถึงแน่นอนถ้าเราทำเป็นมันก็ถึงแน่นอนถ้าเราทำไม่เป็นมันก็ไม่ถึงไหนให้ดูใจของเราเองใจของเราสงบไหม ถ้าใจยังไม่สงบจะทำยังไงไม่ต้องไปถามคนอื่นถามใจเรานี่เองว่าเดี๋ยวนี้สงบไปละเราเดี๋ยวนี้สงบหรื อ, อยังอ่าคุยกันในจิตเลยเนี่ยถ้าบอกว่าโอ้สงบอยู่บ้างไม่ฟุ้งซ่านเท่าไหร่อ่านผู้นั้นดีแล้วภาวนาปเป็นนะผู้นั้น นั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่ก็สามารถกําหนดรู้ได้กําหนดรู้พุโทโธพูทโทได้ตลอดวันนี้เป็นทำคําสอนที่พระ ท, ทรงแสดงไว้มีอยู่ทั่วไปในพระไตรปิฎกอันนี้เรามาปฏิบัตินี่ก็เอา ง, ง่ายๆไม่ต้องเอามากกล่าวมากวัน ปวดสมองไม่รู้าวาเจ้าอันไหนให้เอาอันเดียวนึกพุโทโธพุธโทโธในใจอันเดียวใจก็จะสงบเมื่อใจสงบก็สามารถนำไปพิจารณาเอาใจสงบแล้วไปพิจารณา พิจารณาความเกิดความแก่ความเก็บความตายพิจารณาเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดเราจะเกิดจะตายอยู่สักเมื่อไหร่แต่คงไม่ถึงร้อยปีหรอกก็าตายกันไปแล้วเกิดก็มีตายก็มี วนเวียนในวัฏสงสารนี่ไม่หนีจากกองทุกในวัฏสงสารได้เลยไปตุนโลกก็ไม่ธรรมาดานานแสนนานวันหนึ่งคืนหนึ่งของสรรสีวานโลกเท่ากับเก้าล้านปีในมนุษย์นาโลกนี้มีอายุยืนอยู่ให้ปฏิบัติไป อย่าท้อถอยเราลำบากมาเพราะกิเลสนี่หลายภพหลายชาติแล้วลำบากเพราะกิเลสไม่มีการปฏิบัติธรรมไม่บรรลุมรรคผลเอาแน่ไม่ได้กับชีวิตของเราเอาแน่ไม่ได้เพราะเป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไป มันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตาออนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาเป็นของไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้มันเป็นของมันเองให้คิดว่าเรายังไม่ตายก็ต้องหาความดีนี้ใส่ตัวไว้ให้ได้ต้องหาธรรมะเข้าไปไในใจ ตายแล้วถึงจะเกิดอีกเจดชาติมันก็นเป็นเรื่องของพระโสดาันเกิดเจดชาติถ้าเราทำเป็นธรรมถูกก็ไม่ถึงเจดชาติแปดชาติเลยเหรอกถ้าเราทำเป็นชาตินี้มันก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ปัจจุบันนี้เราก็สามารถให้ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ขออย่างเดียวขอให้เราทำให้ดำเนินชีวิตตามมรรคแ มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นถ้าเราตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนที่พุทธเจ้าแสดงไว้แล้วนํามาประพฤติปฏิบัติอันเดียวเท่านั้นแหละก็ถึงความฉุกความเกิดได้ตายแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดหลายภพหลายชาติอย่างชา้าที่สุดเกิชาติท่าเองถ้าคนเกิดมาแล้วไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรม ไม่มีโอกาสได้รักษาศีลไม่มีโอกาสได้ทำความดีเกิดมาเสียชาติเกิดเกิดมาแย่งข้าวแย่งปลาแย่งอาหารเขากินเปลี่ยงวัสดุของโลกนี้ให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าให้มันผิดหวังเกิดมาให้ต้องมีคุณธรรมในใจ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งได้มากผลธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากแท้ที่จริงกระจายออกแล้วก็คืออริยมรรคมโยงแปดนั่นเองเต็มไปหมดด้วยตัวตนในกิตในใจของเราให้ตั้งใจปฏิบัติในส่วนนี้ให้มากถ้าาำนดไม่ได้ก็หายใจลึก เห็นพุโทโธในใจแบบนี้กามปฏิบัติมันเข้าเส้นเข้าทางเนีวพ่อไปฝึกไปหัดไปกระทำตามมันกม็มีอะไรมากข อ, อให้ตั้งใจปฏิบัติมันก็ดีขึ้นเองเราจะท ว, วนตวน พอกำหนดรู้ใจของเจอของรู้พุโทโธพุโทโธนั้นเป็นที่ปรากฏของใจใจก็ไปยึดเอาพุโทโธพุโทโธนั้นและก่อนพอเรายึดพุดโทโธพุโทโธได้ใจที่ฟุ้งซ่านวันไว้ไปเรื่องต่างมันก็ดับลงได้ถ้าเราสามารถรู้เห็นเป็นไปสามารถละกิเลสได้ นี้จากการเวียนร่ายตายเกิดในวัฏในภพต่างๆนี้ได้พูดง่ายเราไม่เกิดอีกแล้วนี่ก็คือบรรลุธรรมไปแล้วแต่ว่าใครจะได้หรือไม่ได้ก็เป็นการปฏิบัติทุกคนน่ะคอยพยายามไปมันก็ได้ถ้ามันได้แล้วคือเบาใจเบากายสบายอกสบายใจ ไม่มืดไม่มัวไ ม, ไ, มไม่ตกกลางวันอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอะไรจะเป็นไปก็ให้เป็นไปเราตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อยๆเพราะว่าธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยตัดไว้แปดหมืนสี่พันพระธรรมขันแปดหมืนสี่พันเรื่องเป็นของ ไม่ใช่ธรรมบัญดักท่านเรียกว่าคำภีคำภีแปลว่าลึกซึ้งเรามานี่ก็ทำถูกต้องกันแล้วทุกคนําเป็นแล้วถึงจะเอาใจแผ่เมตตาไปให้โยมทุกคนที่มาปฏิบัตินี่จิตใจของท่านหล่านั้นก็จะเริ่มสบายขึ้นเลย ให้ปฏิบัติให้ขัดเกลาจิตใจของเรามันไม่ผ่องใสก็ทำให้มันผ่องใสแต่ก่อนนั่งปวดแข้งปวดขาแต่คราวนี้มันไม่ปวดไม่ปวดแข้งปวดขาปวดข้อเล็กๆกน้อยธรรมดานั่งนานแต่ข้อสำคัญนะอย่าลืม นั่งอยู่ที่ไหนยืนอยู่ที่ไหนอย่าลืมนึกถึงพุทธโธเอางั้นแหละนึกถึงพุทธโธอยู่เรื่อยอ ย, ยืนอยู่ก็นึกถึงพุทธโธนอนอยู่ก็ถ้ายังไม่หลับก็แลลึกถึงพุทธโธ ท, ทำจนทำนาญพอถึงเวลาจะตื่นนอนขึ้นมาทันทีเลยตื่นขึ้นมาแล้วก็มาอยากทำอย่างอื่นมันอยาก เข้าสู่สมาธิเลยพอทำสมาธิจิตก็สบายร่างกายก็พองใสจิตใจก็สบา ย, า ย, บายตายแล้วไม่ตกต่ำหรอกนรกแปดขุมเราไม่ได้ไปสันชีวันโลกกาสุตตะนโลกสังคาตะนรกโลกโลว่วนนรกมหาโลลุนรก ตาปัณโลกมหาตาปัณลโลกอวิีมหาโลกอันนี้เรียกว่าชุดใหญ่ของมันมีอยู่แปดอย่างนรกใหญ่มีอยู่แปดอย่างแต่นรก น, น, น้อยอีกหลายขุมเป็นบริวารของกันและกันเราไม่ได้ไ่ยถ้าเราปฏิบัติธรรม เขาถามว่าโยมพาอปานเขาถามว่าอยู่ในโลกทําอะไรเห็นอะไรบ้างเป็นคนไม่ประมาทเลยไม่รู้จะตอบยังไงสบายดียังนั้นนี่ก็ตอบไม่ได้เพราะมันทุกข์หลายบางทีแอบมาเกิดเป็นคนแล้วรืลบหนีได้ก็หลบหนีมาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนก็ลำบากเพราะเป็นสัตว์นโลก บอกยากสอนยากอบรมสั่งสอนไม่เอาความสอนให้ดีกับไม่ดีสอนให้งามกับไม่งามสอนให้ตั้งใจปฏิบัติก็ไม่ตั้งใจปฏิบัติไม่อุปถากบิดามารดาโอกาสที่จะโตกต่ำมันี่มากโคต้นหมีสองเขาอีกอนอกนั้นเป็นขน คนที่ไปสู่สวรรค์มีน้อยคนไปสู่ภูมินาลโลกอะคนไปสู่ภูมิภูมินาโลกอะมันมากมันเท่ากับขนโพเนี่ยคนไปสู่อะไรงียภูมิพระพุทธเ จ, าจา้าตรัสว่าคนที่ไปสุคติสวรรค์ เหมือน ก, นกันกับเขาโคอย่างพวกท่านทั้งหลายมาปฏิบัติอยู่นี่สามารถทำจิตให้สงบก็ไม่ไปแล้วในภูมิบรรจับเราต้องไปสวรรค์พระเจ้าวิสารตายแล้วไปอุบัติขึ้นที่สวรรค์นี่แหละสวรรค์มีหกชั้น สวรรค์มีหกชั้นจาตุมหาราชิกาตาวะตึงสาเหล่านี้เป็นต้นเราไม่ไปไม่ไปสู่ภูมิอันชั่วเราไปสู่ภูมิอันดีทำถูกแล้วมีสุขทำไม่ถูก ก็ต้องทำให้มันถูกมันเกิดชื่นจะได้สุขมันอดนทนทนเท่านั้นแหละทำอาชีพอะไรก็เหมือนกันมันต้องอดต้องทนแม้การปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันต้องอดต้องทนถ้าตั้งสติไว้ใจก็เป็นสมาธิวิธีปฏิบัติไหนก็แด้มากมายหลายกายอง แต่เราเอาอันเดียวท่ามาปฏิบัติก็ยังเห็นผลเห็นความสุขถ้าเราปฏิบัติมากเข้านานเข้าดีเข้ามีแต่มันดีขึ้นไปเรื่อยๆมีแต่มันสุขขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงพมม้นมรรคพอจะเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้นานแสนนาน อายุของผมกว่านานอายุของนรกกว่านานถ้าเรายังไม่ได้มากผลเราต้องท่องเที่ยวเวี่ยนไหใจเกิดอยู่ในภูมิเหล่านี้แหละมามนุษย์ไปสวรรค์ไปนรกมันเป็นงั้นแล้วแต่จะไปทำบาปไว้ก็ต้องไปทำบุญไว้ก็ต้องไปแต่ไปคนละแห่งทำบาปไว้ไปนรก ทำบุญไร้ไปสวรรค์แต่ถ้าปฏิบัติได้มากผล้นจากทุกเป็นพระอรหันต์ไปพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขอยู่ภายในสุขอยู่ในใจเรานั่นแหละ แต่ถ้าเราได้เป็นพระราหาันในชาตินี้แล้วจิตใจมันก็สงบทำอะไรอยู่สบายต้องปฏิบัติให้ได้บริกรรมพุโทโธใครก็ทำได้ทุกคนคือท่องพุโทโธอยู่ในใจคนใหม่ก็มีบ้าง แต่ก็ให้กำหนดพุดโทโธไว้ในใจเหมือนกันทำวันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ก็ต้องสงบต่อไปก็ต้องสงบบริกรรมพุโทโธฝึกสมาธิโดยบริกรรมพุโทโธเราก็ทำเงมนอองน่ะหอยนึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่ เมื่อเรานี้ก็โทรอยู่ไม่หลงไม่ลืมไม่ไปติดเรื่องอื่นใจเราก็ต้องสงบนิวรนห้าก็ต้องดับไปใจเราก็สบายขึ้นนั่งอยู่นอนอยู่หรือทำอะไรอยู่ใจเราก็สบายอย่างนั้นสบายไม่วิตกกังวลกับอะไรทั้งสิ้นมีความสุขกายสบายใจตลอด บ้านเมืองเขาเดือดร้อนคิดใจว่าวุ่นเรากับสงบเงียบไม่ส่งไปตามเรื่องต่างๆมันดูกับพุโทโธพุธโทโธ ต, ตลอดถ้าเราตั้งใจปฏิบัติแล้วไม่ผิดหวังนะตมาว่าเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามไว้เฉพาะว่าคนไทยนะคนเราอย่าปฏิบัติธรรม ถ้าเกิดเป็นคนต้องปฏิบัติธรรมจะอยู่ประเทศไหนก็ตามจะอยู่ซอฟ ป, ป, ปลาวก็ตามไปอยู่อังกฤษอเมริกาก็ตามประเทศไหนในโลกนี้ถ้าทำใจให้สงบมันก็มีสูขเหมือนกันไม่ว่าอยู่ที่ไหนไว่าทำอะไรอยู่ไม่ใช่ลาวไม่ใช่ไทยไม่ใช่ อเมริกันลิกาเลยถ้าทำถูกก็สงบหมดธรรมะพุทธเจา้าปรเทศให้คนคนเดียวฟังยรัตถาพิกเวจาลิกังเอาหูจตตายาะยรัตถาพิกเวจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์โลกนั่นเอาพุทธเจา้าว่าเพื่อโลก อนุขโลกคือคนในโลกเนี่ยสัตว์ในโลกเนี่ยถ้าปฏิบัติไปมันก็ถึงเองเดินไม่หยุดเนี่ยทางมันจะยาวขนาดไหนเราเดินไม่หยุดเท่ในเข้าใจวิธีปฏิบัตินั่นแหละไม่เกินไปจากนี่หรอกสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ เราปฏิบัติเรืนี้คือปฏิบัติในสติปัฏฐานสี่ฟังดูสิสติปัฏฐานสติเนี่ยคือความรู้สึกเลื่องได้ต่อเวลาไม่เผลอไม่ลงไม่ลืมไม่ส่งใจไปทางอื่นถ้าไม่ส่งใจไปทางอื่นใจก็ต้องสงบเมื่อมันสงบแล้วมันก็ไม่ฟุ้งซ่านเลยเลย นิวรณ์ห้าก็ถอยออกธรรมะเข้าแทนที่กิเลสละออกธรรมะก็เกิดในใจเพราะการหัดอยู่ในหัดท้ใจมันสงบใจมันสงบแล้วมันก็เห็นอันนี้เป็นกิเลสอันนี้เป็นกองทุกข์เราไม่ควรเข้าไปยึดถือกองทุกข์นั้นพยายามปฏิบัติให้ดี ให้ดีมากๆทีเดียวจึงจะเห็นความสุขให้บริกรรมพุโทโธไว้เป็นประจำอเอาเท่านี้ก่อนเอว่าก็มีด้วยประกาศชนี